อ่าต่างใจฟังก่อนเนาะวางกลทุลังก่อนเนาะอันนี้บรรยากาศทำไมต่างใจฟังไม่ได้ยินวันนี้ลางจะาดจันเสร็จแล้วจะไม่ได้อยู่ไปต่างจังหวัดสิบสี่สิบห้าสิหกสิบเจ็ดกลับมาตอนหกคำ ก็มาถึงวัดก็น่าจะคำ่ำมื่อกำลก็ที่18นี่จะอยู่เพราะนั้นใครที่รอใส่บัตรแจ้งข่าวให้ทราบประมาณ10โมงกว่าออกเดินทางแล้วทีนี้เราอยู่ข้างหลังต้องมาทาทวนโอกาสในเวลาที่มาทาทวนเรวนอง ที่เป็นหลักการธรรมะคืออะไรตั้งแต่ต้ตนจนจบตรงไหนไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมะบางเรื่องจริงที่เราเข้าใจกับจริงที่มันเป็นจริงมันส่วนทางกัน บางเรื่องถ้าออกมาใส่ไม่คีดว่าดีไม่คิดคำไม่คิดประโยคนะ์มนมาธิเป็นแรงจูงใจให้เรากลับเขดด็ดใจอย่างเช่นเราพูดกันทุกวันจุดเทียนเมื่อไหร่ก็แสงเทียนสองสองพันปีแสงเทียนสองสองพันปีมาแล้วนะ ส่องอะไรเห็นอะไรก็หรเห็นหรื อ, อยังถ้งงั้นก็ไม่รู้จะสองอะไรก็หุดไว้อย่างนั้นนหะเข้าพรรษาก็รอเทียนเข้าพรรษากแห่ก็รอเทียนคิดว่าเป็น บ, บุญเป็นบาปมันก็หยุดจนแค่นั้นมัหยุดลงตอนที่เป็นบุญเป็น บ, บาปจริงๆมันไม่เกี่ยวอะกับบุญกับบาป ต้องการให้เรารู้ว่าจับอะไรที่ไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหนึ่งกลางคืนก็ แ, แล้วแต่โลกนี้จะอยู่อย่างไรสมมติกลางวันไม่มีว่าอาทิตย์กลางคืนไม่มีพระจันทร์พวกเราจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มองไม่เห็นซึ่งกันเลกัน มองไห่ได้เลยรูปธรรมก็มองไม่เห็นนมามธรรมก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นแสงเสียนเกิดขึ้นเพื่อให้เรามองเห็นที่เป็นรูปธรรมกับ น, นมามธรรมแล้วรูปธรรมกับ น, นมามธรรมจริงๆมันคืออะไรเราก็ไปคิดจะเป็นเรื่องนอกตัวไกตัว พูดถึงรูปธรรมก็จะเนิ่ถึงรูปนั้นรูปนี้รูปนู่นสารพัดก็เข้าใจว่านัน่นคือรูปธรรมถึงนามธรรมาหรือชื่อคือมีแต่ชื่ออะไรที่เร า, ารู้จักก็เข้าใจว่าเป็นนามธรรมาเราใช้คำสองคาก็คือหนึ่งรูปสองนามาเพื่อความเป็นกลาง ท่านก็เอาทำมา ม, ามาห้อยท้ายเรียกว่ารูปธรรมนามธรร ม, ามก็คือพิจารณาเรื่องรูปแล้วก็ให้มันลงที่ทำพิจารณาเรื่องนามก็ให้มันลงที่ทำหรือให้มันเป็นธรรมะก็ได้ไงเพราะฉะนั้นตัดเียวห้อยไว้ทั้งสองอย่างทั้งรูปและ น, นาม เราจึงเรียกโอทูธรรมนามธรรมารูปธรรมามธรรมมันอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเรานี่คือเบื้องตอน้นรูปก็สิ่งที่มันเห็นได้ส่วนนามนะเป็นเรื่องกันสัมผัสรยกว่าภษะมันแยกกันแต่พวดง่ายคืออารมณ์นั้นในตัวเราก็มีแค่นี้นี่คือรู้กับนาม นามาศัยรูปอยู่ทุวันนี้รูปกับนามมันไม่สมดุลกันลดเทน้ำหนักให้กับรูปมากเกินไปจนสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรจากรูปรูปคืออะไรรูปจะเรียกว่าอะไรแล้วแต่พะพุทธเจ้าสรุปให้พวกเราดูแล้ว ผูเ้เฒเป็นห่วงของเราเนี่ยสอนตั้งแต่เรื่องแยบแบเรื่องการเรื่องละเอียดสอนเราทุการะดังทุกเรื่องไม่มีที่ไหนที่ไม่สอนสรุปลงก็รูปกับนานั่นคือสิ่งที่ผู้เะสรุปให้เราแล้วโรูปผู้สรุปเราว่าจริงๆแล้วมันก็คือห้าสีนี่คือคําว่ารูป จะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่โลกนี้แล้วแต่ภาษาแล้วแต่ประเทศชาติโดยรวมก็คือองค์รวมก็คืออาสีส่วนน้ำที่เป็นสภาวะที่มันอาศัยรูกนี้อยู่ก็มีอันเดียวรูที่มีสีหนึ่งกับสี สกับ 1, บวกกันก็เป็นห้ามันไม่ได้มากมายแต่ว่าสี่ตัวหนึ่งตัวที่มีอยู่นะทำไมต้องหเข้าใจรูปกับน้ำก็เพราะจิตมันออกจากร่างนี้ไปแล้วมันก็จะอาศัยคือไปเกาะอยู่กับรูปกับน้ำนี้แหละตอนนี้เราอาศัยรูปอยู่เข้าเรานนี้หมายถึงจิต จิตทุกคนอาศัยรูปถ้าไม่มีรูปมันไม่สามารถ่จะแปลสภาพไป่างอื่นไม่ได้เพราะมันมีรูปมันจะไม่เข้าใจอะไรเลยแต่สุดท้ายคนก็ติดที่รูปจะเรียกว่างอหายเรียกว่าราคาเรียกว่าอะไรก็แล้แต่ก็ไปติดตัวนี้เพราะมันแยงไม่ออกมันแยงไม่ออกว่ามันดินน้ำไฟลงจะเรียกว่ารูปมันก็มีแค่นี้ มันไม่เกี่ยวกับรักชังไม่เกี่ยวกับอะไรอย่างอื่นเลยพะต่อจากนั้นไปจิตออกจากร่างไปมันก็ต้องอาศัยรูปเนี่ยแต่ว่า ร, รูปละเอียดกว่า น, นี้แล้วก็ใส่อารูปเสก็คือน้ำแล้วก็ใส่เวทนาที่มันต่อซึ่งจิตมันจะทัต้องอยู่ในสภาวะอย่างนั้นเพราะนั้นขนาดที่ยังมีรูปอยู่รูปหยาบอย่างเรา คือดินน้ำไฟลมเพราะไมิติอื่นพวกอื่นเขาไม่มีอย่างเราเขาไม่มีดินน้ำไฟลมอย่างเราให้ดูให้เข้าใจให้พี่เจรนาของเราเนี่ยไม่ก็แต่ว่าไม่ไว้ให้หลงไม่ได้ไว้ให้เกิดปัญญามีกันให้เกิดรกักเกิดชังเกิดกันแย่งชิงกันคือยังรูปก็ยังดินน้ำไฟลมนี่แหละ เราต้องการอะไรัรก็แยกออกว่าอะไรคืออะไรว่ระดินก็คือดินน้ำคือน้ำใบคือไฟลมคือลมมันรวมตัวกันโดยสภาพแล้วก็มีเกิดวิญญาณขึ้นตัวรับรู้ก็คือจิตตะวิญญาณมปนตัวรับรู้ทีนี้นตัวแสมเสียงตองสองพันปีถ้าไม่เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ต่อหปร้อยปีพันปีเป็นแสนปีก็ ม, มีประโยชน์อะไร ส่วนรูป ก, กับนามเขาก็มีอยู่อย่างนี้กับบนโลกใบนี้กวบคู่กันไปแต่ว่ามนุษย์โชคดีตรงที่ว่าการกลับมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เกิดบ่อยๆมันไม่ได้เป็นปบ่อยๆเพราะว่าจิออกชนี้ไปไปเสวยเป็นอย่างอื่นต้องใช้ ย, ยาเยายาวนานจ่ต้องเป็นสวัสดิ์อาคเนโรบจะไปเสวย อ, อย่างนั้น ไม่รู้กี่ร้อกี่พันปีนะี่ยกว่จะพ้นแล้วก็คืนสภาพเป็นคนเหมือนเดิมมนะันไม่ใช่ของง่ายๆถึงตอนที่อยู่บนสวรรค์แล้วแต่ถ้า อ, อยู่เป็นพันปีมืนปีสุดท้ายก็กลับสภาวะเป็นคะรับเพราะนั้นสภาวะที่เรากลับมาเป็นคนอยู่ในโลกมนุษย์อนนี้จิ่งถือว่าโชคดีที่สุดและมันก็ไม่ได้มีบ่อยเลยแต่เราก็ไม่ได้เอาใจใส่ กับกลายเป็นว่าของพวกนี้เป็นเรื่องที่น่าเกลี น, น่ากลัวเกิดกมาเพื่อกลัวเกิดมาเพื่อมีภัยสร้างภัยกับตัวเองเพราะคนที่ไม่เข้าใจเข้าใจตรงกลางนี่แหละ่ละรูปกรรมนามมาทำแค่รูปกับนามมันเอายังไม่เข้าใจทำมะซึ่งเป็นตัวกลางทำให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เราเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงทำแต่พูดยังไงภาษาพรุทธเจ้าบอกไม่เห็นธรรมพระพุทธเจ้าชี้ว่าไม่เห็นธรรมเราจึงไม่เห็นรูปไม่เห็นนามเพราะใจมันไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมก็ไม่เป็นกลางมันจึงไม่เห็นรูปเป็นนาเราเข้าใจว่าเราเห็นเป็นเห็นรูปเนี่ยเป็นตั้งแเกิดเห็นทุกคนเห็นหมด เป็นไม้าส่น้าปูาาปเขาแต่ใครจะแยกออกว่ามันคือดีนน้าไฟลมแล้วก็จบมันน้อยนักคนแล้วส่วนที่ไม่ใช่ดีน้ําไฟลมคืออะไรตัวที่ไปต่อคืออะไรเนี่ยเราก็แยกไม่ออกอย่าลืมว่าอายุอาณามของเราหมดไปเสิ้นไปหมดไปเส้นไปมั น, ปนหนึ่งเอาสาระอะไรไม่ได้เลย กัดินน้ำไฟลมที่มีอยู่วันนี้อยู่กับโลกวันนี้เพราะฉะนั้นมองรูปตัวนี้ให้ฟองเห็นว่าแค่สีเรื่องแค่นี้ะหต้องถวเข้าใจคือดินน้ำลมใบจริงๆต้องไฟขึ้นก่อ น, นก็สี่เรื่องแค่นี้ตั้งแต่เกิดก็มีสี่เรื่องส่วนม่นจิตออกจากร่างแล้ว มันเหมือนเดียวก็คือจิตจิตมันก็มีสี่ตัวที่พาเราไปที่ต้องไปเกาะถึงแม้อาจจะเป็นเกาะรูปรูปหยาบรูปที่มันยึดอบปตานเนี่ยหยาไปมันก็ยังสเวยสี่ร ม, มคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีแค่นี้เอง แต่เราไม่สามารถจะเข้าใจใเรียนรู้ได้บุชย์ยันเรียกว่าอาวิชารวมเรียกว่าอาวิชาอาวิชก็เพราะว่ามันไม่มีการเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้อวิชชาเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งที่เราไม่เรียนคือไม่ศึกษาคือไม่เสกขะเหมือนชีวิตของพวกเราทาไมศึกษา หายถึงระบบไม่เข้าระบบโดยการศึกษาตั้งแต่โนวบาลปถมมัธยมบุดมศึกษาอันนี้เร็วศึกษาที่เป็นระบบโลกเราจะไม่มีวิชาเลยจะไม่มีความรู้เลยเห็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องเห็นอากาักขระพยัญชนะก็รู้ว่าคามันตัวหนังสือแต่อ่านว่ายอย่างไรหมายของอะไรจะไม่รู้เพราะไม่มีวิชาเราจึางเรียกสิ่งนัง้นว่าอาวิชา คือไม่รู้นี่ต้มาดูพวกเราเห็นรูปเห็นที่เราเห็นพวกนี้ละมันมีวิชาไหมในความรู้ไหมเพื่อมาเกิดความรู้ไหมมีการเรียนรู้มไหมกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีเราไปสนใจกับปัจจัยภายนอกเรื่องคนอื่นจนมากเกินไปในชีวิตประจำวันเรื่องตัวเองไม่สนใจเรื่องคนอื่นรู้หมดคนนั้นดีคนนั้นชั่วรู้หมด แต่ตัวเองไม่รู้แล้วจะมีประโยชน์อะไรเพราสิ่งที่รู้ของคนอื่นนะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเราเองเลยผมไม่สามารถที่จะดับทุกข์ที่อยู่ในตัวเราและเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นสุขของคนอื่นไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเราแต่เราก็ชอบเห็นชอบรู้เรื่องของคนอื่นแต่เรื่องตัวเองนะไม่ยอมเรียนรู้เราจึงไม่เห็นตัวเองนี่ความหมายก็ว่าไม่เห็นตัวเอง คนที่เห็นตัวเองก็คือไม่เห็นทุกข์แหละคนที่ไม่เห็นทุกข์ก็คือคนที่ไม่เห็นธรรมนี่คือสิ่งที่เรจะพยายามเน้นสื่ออธิบายให้เราว่าถ้าคนจะเห็นทุกข์ได้ก็ต้องเห็นตัวเองเห็นตัวเองคืออะไรก็คือท่าสีกันห้าพอเห็นตัวเองว่าเป็นตัวเราตัวเขาอลังบางองีกมันก็ไปยึดเอาเอีกยึดว่านี่คือ นี่คื อ, อนี้นี่คื อ, อนี้กลายเป็นเจ้าของสิ่งนั้นไปก็คือยึดนั่นแหละกางทั้งสิ่งนั้นมันก็เป็นวัตถุเข้าของสิ่งหนึ่งที่อยู่ปรากฏการขึ้นมาในโลกนี้มันไม่เคยเป็นเจ้าของแม้แต่สุขทุกข์ก็เช่นเดียวกันที่เราเกิดจากการปรุงเกิดจากการแต่งเราไม่เคยวางสุขและทุกข์ได้เลย จะกวินในขณะจิตที่เป็นสมาธิและเกิดปัญญาเท่านั้นโดยปกติเราไม่ค่อยวางอันนี้ได้เลยคือไม่อยู่กับสุขก็อยู่กับทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นสิ่งที่เราปรุงนั่นก็เหมือนกันก็ปรุงสองเรื่องถ้าไม่ปรุงเรื่องสุขก็ปรุงเรื่องทุกข์คือคิดก็คือสังขารเราก็เกี่ยวอย่างนี้แต่ประเด็นคือไม่รู้รไม่รู้คืออะไรไม่มีสติขาดสาติ เพราะมันไม่รู้อว่าสิ่งที่ปรุงขณะปรุงอยู่ยังไม่รู้เลยว่ามันปรุงอะไรอย่าไปถามเลยผลรองการปรุงนั้นเป็นอย่างไรเพราะมันไม่มีข้อสรุปสรุปก็คืออยู่ไปวันวันแต่เช้าเที่ยงเย็นค่าเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็นดับดับก็คือความรู้สึกทางตาทางหูมันมันดับ อันนี้เขาเรียกว่าดับในขนะทีกันความเสื่อมมันก็ทําหน้าที่ของมันความเสื่อมมัคือหมดไปหายไปแต่เรามองไม่เห็นความเสื่อมอันนี้จริงๆควาเสื่อ ม, มตั้งแต่เกิดเนี่ยแต่ว่าเรามาถึงสภาวะทั้งจิตเนี่ยมองไม่เห็นตัวนี้ตัวที่มันเสื่อมเราเรียกความเสื่อมอันนี้ง่ายๆก็คือดับ เป็นภาษาบาลีก็นิโรธาคือมันเสื่อมไปแต่เรามองไม่ได้มันเสื่อมมันเสื่อมทุกขณะถ้ามรูปประธรรมอนนี้มันเสื่อมไหมเสื่อมดินน้ำไฟลมรูปร่างกายข้างนอกอันนี้ตั้งแต่เกิดอยู่ในขณะดนี้มันเสื่อมมาตลอดแต่เรามองไม่เห็นเสื่อมก็คือโศมก็คือชารุด หายไปหมดไปก็คือมันหมดไปหมดไปก็ค่อยเสื่อมไปสุดท้ายใช้ไม่ได้ไม่ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งคือดับก็คือนิโรดนี่เข้ามายค่ะตัวนี้คือทิ้งดินน้ำไฟลมคือมันดับมันหายไปแต่ตัวหนึ่งจะดับเรยวนิโรดคือดับ อันนี้ดับไม่เหลือแต่มลีโรดเนี่ยมันดับดับเกิดเกิดเกิดเกิดดับดั บ, ดบแต่เรามองไม่เห็นนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะเป็นห่วงพวกเราว่าโอกาสครั้งสุดท้ายเอ่พระองค์เตือนพวกเราก็เรื่องนี้แหละวิยะธรรมมาตัญงใจคำวันี้สังขารงตั้งใจคํ า, ค า, คาอย่างนี้อวิยะคือการเสื่อม ธรรมมคือธรรมคือทั้งรูปธรรมและนมามธรรมวิยธรรมาสังขาราเนี่ยสุดท้ายท่านบอกวิยะประมาทนะเป็นภาษาเราง่ายๆเป็นคำพูดของพ่อเราครั้งสุดท้ายที่สั่งไว้สังขารทั้งหลายมันไปเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาคือมันชื้นพุชุกโสมคือควันดับอ่ะแต่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นพุญเจสอนให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้ หรือที่ผ่านมายังไม่เห็นตั้งจากนี้เป็นต้นไปให้ตั้งใจตั้งจิตของเราเสมอว่าต้องเห็นสิ่งเหล่านี้เท่านั้นมันถึงจะเป็นประโยชน์เห็นสิ่งเหล อ, อื่นนอกเหรือไปจากนี้ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยก็คืออะไรเห็นความเสื่อมความสิ้นความสลายความดับไปเพราะสุดท้ายมันต้องเป็นอย่างนั้นคือปลายทางมันจะต้องเป็นอย่างนั้น ต, ต้นทางเลยมองไม่เห็นความเสื่อมเรามองเห็นเฉพาะนอนตายเพื่จะรู้ว่ามันเสื่อมจริงๆคือไม่เหลืออะไรเลยนั่นคือความตายเมื่อเราเห็นปลายทางคือสุดท้ายปลายทางแล้วก็ไม่ได้อะไรสุดท้ายก็ยอมจำนน จ, ำจำนจนนอนตัวความตายกลายเป็นความกลัวนึกอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ออกทำอะไรไม่เป็นมันไปหลงติดความตาย นั่นกนคือความเสือ่อมครั้งสุดท้ายความจบลงครั้งสุดท้ายแต่ตอนแรกๆอย่าเรามองไม่เห็นคือต้นของมันภาษาปัจจุบันเราต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำเรามองไม่เห็นกลางน้ำาก็มองไม่เห็นแต่ปลายน้ำก็ เ, เห็นเสร็จก็ทำอะไรไม่ได้แล้วสภาวะอย่างนั้นทำอะไรนะก็คือดินน้าไฟลมเขารอที่จะเป็นธรรมชาติของเขาดินก็จะกลายเป็นดิน น้ำกิจกายเป็นน้ำลมก็ะจะกลายไปลมไฟก็คดไปอยู่กับธรรมาชาติของเขานี่เขาเรียกว่าธรรมชาติอันนี้เราเห็นนมามประธรรมรูปประธรรมยังมองไม่เห็นนามธรรมมันมองไม่เห็นคือมองสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นธรรมนั่นเองชูไม่เป็นธรรมะคือไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะมันเป็น ก, ากลางๆอย่างนี้มานานแล้วเมื่อไม่เห็นเป็นอย่างนั้นก็เข้าใจว่ารูปก็เป็นของตัวเอง เป็นของเขาเป็นของเราต่างคนต่างยึดต่างคนต่างถือเมื่อยึดมือถือมันก็หนักโดยธรรมชาติโดยความหมายยึดอะไรถืออะไรก็หนักกันนั้นแบกอะไรก็หนักกันนั้นแม้แต่ความคิดอย่าไปคิดว่ามันเบาๆไม่มีอะไรอย่าไปคิดนะอย่าไปคิดว่าเอาคิดว่ามันไม่หนักนะมันหนักแต่วางไม่ได้เลยเนะี่ยหนักกว่าเก่าอีก ให้มรู้จักวางความคิดตัวเองวางไม่ได้ั้งท่ตัวเองเป็นคนคิดตัวเองเป็นคนปรุงแต่วางไม่ได้คือหยุดปรุงไม่ได้มันเหมือนข้าลาอาหารกับปรุงไปแล้วมันเปรี้ยวมันหวานมันเค็มวันหลังจะได้ไปบทเรียนว่าอย่าให้มันสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมากเกินไปแหมมันหวานมากไปเปรี้ยวมากไปเค็มมากไปไม่งั้นมันกินไม่ได้คือเสพไม่ได้ ควคิดของเราก็เหมือนกันถ้ามันสดตรงมันก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายปลายทางคือทุกนั่นคือเป็นธรรมะกกัำว่าทุกคือมันไม่พอดีคำว่าพอดีนี่มันเรื่องอะไรบ้างในชีวิตประจาวันเรามาคิดดูว่าตรงไหนที่มันพอดีที่เราออกมาใช้กับชีวิตประจาวันเสื้อผ้าอาพอนกางเกงพอดีไหมมันคับไปมันใส่ได้ไหม มันหลวมไปมันใส่ได้ไหมเพราะมันพอดีนั่นแหละมันถึงสวมใส่ได้ออืนี่คือคำว่าพอดีแล้วสภาวะใจของเราตรงไหนที่มันมันพอแล้วก็มันก็ดีด้วยมันคืออะไรอย่างนั้นไม่ไม่รู้จักคําว่าพอดีชีวิตเราถึงเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของเราที่เป็นอย่างนี้เพราะไม่เข้าใจ พเพราะไม่ฟังพ่อพ่อเป็นหัวเราจนวนราระสุดท้ายก่อนจะตายนี่คือกาพูดสุดท้ายก่อนตายถ้าเป็นภาษาเรายังไ ง, ไงแต่พูดในเรื่องนี้สุดท้ายก็บอกว่าจะประมาทนะประมาทในะสัมปาเดธะทำหน้าหลายจุดจังควาประมาทก็จึงข้อขึ้นจะปัญญาจะประมาทอหละเพราะฉะนั้นก็บอกประมาทอะไรก็คือ ท่านทั้งหลายให้มีสตินะครับประมาทานรวบรวมลงที่สติเพราะนั้นที่เราฝึกทุกวันะให้เรามีสติพมือสติเกิดเราจะเข้าใจเรื่องรูปเรื่องน้ำมันเป็นอย่างไรกต่ตัวไหนมันสำคัญกว่ากันแล้วเราจะได้ให้ความสำคัญลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อยจากสำคัญมากสำคัญน้อยหรือไม่สำคัญเลยจาก จากมีมากมีน้อยจนไม่มีเลยเระสุดท้ายมันก็จะเป็นอย่างนั้นสภาวะจิตของพวกเราจะไม่มีอะไรเพราะนั้นตอนนี้เรายังคล้องอยู่ในบุญคล้องอยู่ในบาปบุญกับบาปมาคล้องที่ไหนมาคล้องที่จิตมันไม่เกี่ยวกับกายเราเข้าใจว่าบุญกับบาปนั้นเกิดที่กายเราเข้าใจนี้กันมานานแล้ว น, นะจิตบุญกับบาปสภาวะเนี่ะ มันเป็นนามมันไม่มีตัวตนส่วนรูปร่างกายนั่นเป็นวัตถุที่จะแปลสภาพเป็นบุญเป็นบาปเป็นเครื่องมือพูดอย่างไรในตัวหลักตัวหลักคือจิตตัวบุญตัวบาปคือจิตเพราะนั้นการภาวนาต้องการให้จิตเราเนี่ยเห็นบุญเห็นบาปให้กัาใจอย่างนี้ทำอย่างนี้เป็นบุญนะคิดอย่างนี้เป็นบุญนะพพูดอย่างนี้เป็นบุญนะ ให้จิตมันเห็นอย่างนี้คือวันมันเรามองไม่เห็นเราข้อจิตเป็นเป็นเน้นหนักที่กายทุกเรื่องบำรุงดูแลรักษาปนเปื้อมันจนมากตั้งแต่เกิดจนตายปนเข้าไปเปือเข้าไปก็ไปเห็นความเสื่อมความโทรมของมันไม่เห็นความชราของมันความคลั่งคลาของมันไม่เห็นการชำรุดสุดโทมของมันเนี่เรเรียกอะไร อ, อ่ะไม่เห็นรูปเนะี่ยความหมายกอไม่เห็นความเสื่อมนี่แหละ ก็คือวอยะธรรมานี่แหละเราไมเห็นความเสื่อมมาเสียงตอนนี้เมื่อความเสื่อมปรากฏเริ่มเข้าใจความเสื่อมอุโอลูกกอโอยนั่งกอโอยนั่งนานไม่ได้ยืนมาเดินมาสุดท้ายก็ น, นอนทางทางที่นอนเป็นเคยย้ําอยู่เสมอว่าอันเป็นอิบทที่เราใช้มาเยอะแล้วในชีวิตเป็นอิบุที่เราใช้มากที่สุดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยคือเสียเวลา เสียวละกับการ น, นอนมันน่าจะเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตไปแล้วแต่หลายคนเน้นนอนเจ็ดแปดชั่วโมงทั้งกลางวันกลางคืนสรุปก็คือในขณะที่นอนหัวเล็บหลับเย่างเช่ดนอนแล้วต้องหลับเลยนะนอนไม่หลับนอนไม่หลับเป็นปัญหาหลับก็บอกหลับจากบุญจากบาปหลับจากบุญจากบาปบุญบาปเกิดทางไหน ก็เกิดเรารู้แล้วคนทําบาปตอนนี้มันก็คือดจากตาหูจมูลกล่างกายนี่บาปนี่บอกคือรวงบาปเลยนะพอรู้สึกตัวขึ้นมาพอช้าขึ้นมาแต่ว่าตื่นขึ้นมาก็มาเนี้ยม า, ม, ามาทําบุญทําบาปก็คือถ้าไม่ทําบุญมันก็ทําบาปตัวที่เป็นกลางจริงๆมันน้อยที่วางใจเป็นกลางจริงมันน้อยเพราะนั้นชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนี้ คือคูค่ขี้ทีมองอยู่กับบุญอยู่กับบาปปัญหาคือแยกไม่ได้กาปบุญกับบาปอัไรมันมากมามันน้อยคิดอย่างนี้เป็นบุญอย่างนี้เป็นบาปเพราะความขาดสจากสติที่พพุทธเจ้าต้องบอกว่าอย่าประมาทประมาเดนะสัมปาเิทักอย่างความประมาทได้ถึงพร้อมถึงพร้อมก็ไม่ประมาทอันนี้ก็ ค, ค, ค, ค, คือสรุปหรือว่ายอดแห่งธรรมทั้งหลายก็ ค, คือความประมาทก็คือสตินี่แหละ ที่เราเปลี่ยนระยะฝึกทุกวันทุกวันเมื่อสติเกิดขึ้นก็ให้เข้าใจอะไรเข้าใจรูปกับน้ําแค่นี้เองรูปกับน้ำคืออะไรคนที่เข้าใจรูปกับน้าคําเดียวคือทำแต่ใครไม่มีทำรรไม่เข้าใจที่จะรูปน้ำได้เพราะะฉนั้นแต่จถงท่านจึงห้อยเอาไว้เลยว่ารูปกรบทำนามมาท ำ, ำ, าทำคือให้มันเป็นกลางสองอย่างนะหรือพอเข้าใจรูป แล้วก็นามซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้แต่เพื่อให้เข้าใจซ้ำก็พิีิกว่ารูปประธรรมานามมาทํเห็นหัถ้าก็จะแยกดีอยนยีหมายก็ว่าถ้าอยู่กับรูปก็ให้มันเกิดธรรมะถ้าอยู่กับนามก็ให้มันเกิดธรรมะด้วยความหมายคือให้มีสติให้มีสติธรรมะคือสติอยู่ตรงกลางนี้ให้สติ อยู่กับรูปให้มีสติอยู่กับน้ําแค่นี้เองวัตถุผสมแต่ทีเนี้ยเรายังแยกรูปน้ำยังแยกไม่ออกก็เพราะไม่มีสติต้อมีสติมันก็อยู่อย่างนี้อยู่กับรูปกับน้ําอยู่กับบุญกับบาปอยู่อย่างนี้ถ้าเราสลับไปยืดไปมาอยู่กับชอบไม่ชอบปรี่สิ่งตัวเองปรุงแต่งเข้าไปปรุงแล้วก็ไม่ชอบก็ไม่รู้ชอบก็ไม่รู้ก็โมหะมันปิดบางสิ่งเหล่านี้ นะเราะจึงมองไม่เห็นสังคมมองไม่เห็นต่อให้จุดสองพันปีเหมือนเทียนแสงเทียนส่องสองพันปีจุดลงไป้ยเทียนไปเป็นเชิงสั ญ, ญลักษณ์ะฉะนั้นถ้าแสงสว่างไม่เกิดขึ้นในท่ามกลางจิตใจของเราแล้วมันยากที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอวิชชาและวันนั้นทวิชาเกิดขึ้นเมื่อไหรเกิดมากเกิดน้อยไม่เป็นไรมันก็จะทําลายอวิชชานี่แหละ ตัวเช่นมันมันมืดมันบอดมองไม่เห็นมาช้านานอย่าลืมว่าเราไม่ีโอกาสที่เป็นอย่างนี้มันน้อยที่หมายว่าที่เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ยมันไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะตอนนี้เราไม่ีโอกาสแล้วอย่าไปเสียโอกาสพลาดโอกาสที่เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์เพราะา ง, งั้นนี่กี่พบกี่ชาติก็ไม่รู้ ที่กลับมาเป็นอย่างนี้ไป็นสิ่งสคัญถ้าเป็นอย่างอื่นตราเป็นสิงสาร า, าสารอย่างอื่นหรือไปเสวยผลเป็นอย่างอื่นมันยิ่งมีโอกาสที่เข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามอย่างนี้เพราะไปเสวยไปเสวยอารมณ์ไปเสวยความร้อนเสวยความเย็นแต่ไปสวรรค์ก็เสวยความเย็นไปนรลกไปเสวยความร้อนก็ถูกความร้อนครอบงํา ก็มีสองทางกันเนี่ยนั้นเราจะทําตัวเองให้ร้อนหรือเย็นตั้งแต่มีชีวิตอยู่ถ้าพูดง่ายๆก็คือเราจะทําตัวเองเนี่ยให้ร้อนคือตกนรกให้เย็นคือสวรรค์นิพพานได้อย่างไรก็เลือกแน่นอนตลอดเวลาเลือกแล้วไม่เลือกหรอกไดเป็นของร้อนจะต้องเลือกของเย็นๆแต่ความจริงๆแล้วทุกวันนี้ชีวิตเราเย็นไหม ชีวิตเราเย็นไหมเย็นยังไงเย็นจากสิลถ้าทุถึงความเย็นก็นึกถึงสินทันทีเรามีสินไหมมีกี่ตัวมากน้อยขนาดนั่นคือความเย็นระดับความเย็นของพวกเราในห้าข้อไม่มีสักข้อเลยแล้วจะต้องการหาความเย็นมาจากไหนมันไม่มีเมื่อไม่เย็นความเย็นไม่มีเกิดอะไรขึ้นก็ตรงข้ามกับเย็นคือร้อนเราก็จะร้อน เพราะควาปราศจากศินนี่แหละจึงทาให้ตัวเราร้อนก็คือเดือดร้อนเราจะเป็นเห็นเป็นเป็นอยู่ทุกวันที่เป็นข่าวลองพิจารณาให้เป็นธรรมะดิว่าอันนี้มันเป็นเรื่องร้อนหรือเป็นเรื่องเย็นแล้วก็โอประยิโกน้อมคาตัวเองว่าเราต้องการเย็นในการร้อนผลตอนนี้ฝนตกชุ่มเย็นสบายนี่คือธรรมะถ้าเกิดจะเนี่ยคือเย็นหรือคือดับ ถ้าเป็นไฟจากไฟที่มันร้อนๆมาค่อยเย็นลงเข้ามาเย็นนะคือศินนี่แหละจะตุตัวเบรกกูทําให้เราเย็นลงจนดับดับเหลือน้อยจนไม่เหลืออะไรเลยนั่นะคือวันนิพพานดับจนไม่เหลืออะไรเลยคือจิตเรามันเย็นตอนนี้มันเย็นบ้างไม่เย็นบ้างพูดยังไงก็มีศินบ้างไม่มีสินบ้างในขณะที่มันไม่เย็นมกกันก็ร้อนในขณะที่ มัน ร, ร้อนอยู่มันก็ไม่นึกถึงของเย็นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ร่างกายเราก็เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นดินน้ำไฟลมดินน้ําไฟลมน้ําห็นไหก็าน้ำขึ้นก่อนน้ำนันคือเย็นไฟคือร้อน ม, มันอยู่ด้วยกันแต่เพระมันเสมอกันมันไม่มาก มันไม่น้อยเหมือนร่องกายเราเนี่ยมันมีมีทั้งเย็นคือลมมีทั้งไฟคือร้อนในตัวเราเนี่ยแต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันแสดงมันปรากฏตัวชัดเจนเช่เนเย็นก็คือลมหรอลมปรากฏตัวชัดเจนไฟก็คือร้อนนั่นแหละถ้าจะเย็นคือจ็จโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมากเกินไป เห็ชัดเจนแล้วก็สิ่งเหล่านี้ที่ผลาญร่างกายของพวกเราที่ทาําน้าวิยะธรรมาเคือทําให้มันเสื่อมก็สิ่งเหล่านี้แหละก็คือสุดท้ายปลายทางมันก็จะแยกกันไปมันอยู่ไม่ได้เมื่อจิตมันอยู่กับร่างนีไม่ได้สภาวะที่มันเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเขาก็แยกย้ายไปตามที่ของเขาดินกลาเป็นดินน้ำกลายเป็นน้ําลมมันกลายเป็นลมไฟก็เป็นไฟ เมื่อถึงตอนนั้นยิงเห็นไปยังไงก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันไม่ทันแล้วเพราะนั้นจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องมาเห็นในชีวิตประจําวันขอให้เราเห็นตรงนี้ในชีวิตประจําวันทุกวันต้องถามว่าตัวเราเห็นสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันไหมได้แต่บ่นได้แต่เพ้ออะไรก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันทุกข์อันนี้มันสุขอันนี้มันเย็นอันนี้มันร้อน ได้แต่ลำพึงลําบานต่างด้านของนี่มันก็อยู่ในตัวเราต้นเราเนี่ยแังนั้นก็ในขณะที่เราร้อนก็ต้องให้มันเย็นได้มันเย็นก็ต้องให้มันปกติเขาว่าเย็นก็คือกลับมาเป็นสบาว่าที่เป็นปกติถ้ามันสภาพที่มันไม่ปกติคือจิตมันก็จะต้องให้เรารู้ทันทีว่เออตอนนี้มันไม่ปกตินะจะต้องทําให้มันปกติให้ได้คือต้องทําให้เป็นธรรมดาคือธรรมชิติคือ ที่ตั้งอยู่ในความธรรมดาตั้งความธรรมะว่าเออเป็นธรรมดาไม่พิเศษวิโสแตกพิสดานใดๆถ้าเรามองเป็นธรรมดาอย่างนี้รูปก็ธรรมดาน้ํำก็ธรรมดาก็อยู่กับธรรมดาเรียกว่าธรรมนิยามคือกําหนดต้องทำเป็นธรรมดากำหนดการทำก็คือกำหนดรูปกำหน้ําำเพราะฉะนั้นปลายทางรูปกับน้ํำพระพุทธเจ้าจึงชช้คำว่ากรำหนด กำหนดรูปกำหนดนามเพื่อให้เห็นทุกเพราะฉะนั้นทุกถ้าจริงบอกเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดรู้ไม่ใช่กันละหรือไม่อยากให้มันมีไม่อยากให้มันเป็นอยากที่เราเข้าใจอย่างที่เราทาทำกันอยู่มันไม่ใช่ทางเป็นการกำหนดให้รู้ไม่ที่ให้มันรู้นะว่ารู้เช่นความเสื่อมจริงๆมันมีความเสื่อมนะ แล้วก็เสื่อมทุกวันความเสื่อมก็คือแก่คือชราชราทุกวันไมช่ชราตอน60กว่าแล้วเรียกคนชราเรีย ก, ค น, ยกคนแก่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นเอาเอาแค่เข้าใจว่ากว่าจะรู้จะยอมรับคำว่าชราได้ตั้ง60ปีไม่งั้นมันไม่ยอมตัวเองว่าแก่หรือแก่ไม่ได้โกรธโทรศัพท์เกิดขึด้นไหมโทรศัพท์มันทำหน้าที่เฮ้ยจะไปเรียกฉันแก่ได้ไงฉันยังไม่60เลยนะ พจะรู้ยอมรับอเอแค่ยอมรับว่าว่ามีเกย์เฉยๆเลยนะใช้เวลาหกสิบปีพอแค่ยอมรับแลนะแต่ยอมรับโดยจริงใจหรือเปล่าไม่รู้แต่โดยสภาพเพราะสังคมกําหนดว่าอย่างนั้นพอถึงงานเขาต้อปลดระวางแล้วพอหกสิบเข้าไปเขาก็ปลดระวางแล้วเขาไม่ใช่แล้วแต่ที่กางานราชการอื่นก็ไม่ใช่เรงเล้ยเกษียณคือพ้นทําอะไรไม่ได้ ประเด็นบางคนก็คือยังไม่ถึงหกสิบก็ไปแล้วนะคําว่าแกก็ยังมองไม่เห็นเลยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจิตมันยังไม่เข้าใจคําว่าแกเลยลวเว่าเข้าใจเอ็ตัวหนุ่มตลอดเวลาติดที่จิตไปไมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสิน่งเหลนี้ทุกวันไม่ใช่ไปเหนเานตอนเมือนู้นหกสิบเจ็ดสิบไปแล้วโอ้เราแก่แล้วสุดท้ายตามนาวะว่าทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหม แล้วมันจะดียังไงในเมื่อแก่แล้วมันทําอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้แก่คือวิชราจริงแต่ยังทําอะไรได้อยู่มันต่างกันนะคนละอารมณ์ของคนละโลกเรารู้เพียงเรารู้เออมันชรามันมีชราอยู่มันกา k a า a อยู่มันชํารุดอยู่มันเสื่อมอยู่ทุกวันอย่างเนี้ยเข้าใจถูกแล้วเราก็ยอมรับวันนี้สุดท้ายเราจะเข้าใจเมื่อถึงเวลาแล้วก็าวางได้ ไม่จำเป็นตั้งหกสิบเจ็ดสิบก็แก่แล้วตอนนี้เราก็แก่แล้ววันชมฤทธิสุโศมแล้วเนี่ยอันนี้คือธรรมะเกิดขึ้นระหว่างที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมถ้าเราเห็นตัวเนี้เห็นรูปกับนามตัวนี้เป็นธรรมหรือความเป็นธรรมผู้ใดเป็นรูปกับนามอันนี้เป็นธรรมผู้นั้นเท่ากับเห็นว่ามันเป็นทุกผู้ใดเห็นว่าสิ่งนี้ว่ามันเป็นทุก เท่ากับผู้นั้นเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือธรรมสิงเรียกว่าผู้ได้เห็นทุกขผู้นั้นเห็นธรรมผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตาตาโคตรนีกสิ่งผู้จะสรุปให้เราฟังว่าตอนนี้เราเห็นหรือยังเป็นทุกข์หรือยังเป็นรูปหรือยังเป็นนามหรือยังถ้ายังไม่เห็นก็ไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละสมปุนเปยจัรูกกับนามอยู่อย่างนี้ ก็ยังไม่เข้าใจอะไรก็เรียกว่าอาวิชชาคือมองไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นอวิชชาเพราะว่ามันไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นในทางการจิตใจของเราคือดวงจิตของเรามันมืดมันบอดเราพยายามทําให้มันจิตใจของเราสว่างขึ้นในชีวิตประจำวันเราก็จะเจอแสงสว่างคือแสงแห่งธรรมเมื่อแสงแห่งธรรมเกิดขึ้นแล้วจะขจัดความมืดที่มีอยู่ ตามกําลังสติปัญญาของพวกเราท่านหลักดังนั้นก็ขอฝากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวนึกแนวคิดแนวพิจารณาอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยื่นการเห็นรูปเห็นนามก็คือหินดินน้ําไฟลมที่เป็นรูปทนะี่เป็นนามมันก็คือที่มันเกาะอยู่ถึงแม้รูปคือดินน้ําไฟลมนี้ดับไปแล้วคือมันแตกสลายไปมันเสื่อมไป แต่ตัวนามนะ่ะมันต้องหาที่อยู่ใหม่ไปหาก่อรูปใหม่หรือพบจิตตัวนั้นเอาไปก่อใหม่ถ้าจิตตัวนี้มันไปคล้องติกามมาพบก็ไปติกรรมรูปวพบไปที่รูปอารูปก็คือมีสี่ตัวก็ไปที่อารูปนะ่ก็มีแค่นี้การทําสมาธิหมายกว่าว่าสภาวะของจิตของเราที่เป็นสมาธิแล้วก็ให้เห็นสิ่งเหล่านี้เลย เห็นสภาวะที่มันเป็นรูปแล้วก็อารูปองค์ของฌานก็มีกันนี้นี่คือองค์ของฌานองคกฌานรู้แค่นี้รู้ที่เป็นสภาวะที่เป็นรูปแล้วก็อารูปจิเรโอรูปฌานรูปฌานรวมแล้วเป็นแปดรวมแล้วเป็น 8. แปดว่าตสมาบัติแปดถ้าเราะมากเข้าใจเรื่องนี้โลคุตระธรรมคือธรรมอันยิ่งของโลกเนี่ย จะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะจิตมันจะค่องอยู่ที่รูปกับอรูปคือพูดง่ายๆคือวางรูปไม่ได้วางอรูปไม่ได้โลกุตตะคือพ้นจากโลกด้วยรูปอรูปไม่ได้มันก็ค่องอยู่กับรูปอรูปแม้จะเป็นรูปหยาบก็รูปแบบนั้นกษัตริย์ทั้งหลายนี่แหละลวดละเอียดรูปที่จิตมันออกจากร่างไปแล้วไปยึดเอามันจะต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ เรียว่าอนาคตหลังจากจิตออกจากร่างไปแล้วคือออกจากดินน้ำไฟลมนี่แล้วเนเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปจิตมันก็ไปต่อแล้วมันจะไปไหนไปยังไงไปเกาะอะไรอยู่ไปยึดอะไรอยู่ทําให้เข้าใจสิงเหล่านี้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่มันก็เป็นที่องที่ยากลําบากมากๆไม่ใช่ยากธรรมดาดังนั้นอย่าไปทําอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนมองตัวเองให้เข้าใจ ให้เห็นตัวเองในแต่ละวันหเห็นอะไรก็ได้เ ห, ห็นดินเห็นน้ําเป็นไฟหเห็นลมอะไรก็ได้หเห็นรูปหเห็นานามอะไรก็ได้แต่ต้องเห็นต้องเข้าใจ like. ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราทุกวันไม่ใช่มันไม่เกิดอะไรกับเราเลยคือพูดง่ายๆมันไม่มีผลอะไรกับเราเลยเพไมะงั้นเราก็จะไม่สนใจอะไรธรรมชาติกับมนุษย์มันไม่คิดเราวันมันทุกร้อนอะไรเลยเมื่อมันทุกมันร้อนอะไรก็ว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว แตกมันดับไปแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วดังนั้นปฏิบัติของเราคือต้องการให้เห็นจิตของเราอยู่ในสภาวะอย่างนี้ท่านจะเรียกว่าสภาวะธรรมสภาวะคือรูปประธรรมมันเกิดขึ้นนมามธรรมมันเกิดขึ้นเข้าใจสภาวะธรรมคือเข้าใจรูปเข้ า, ขานามนี่แหละแล้วลโดยธรรมะเป็นตัวกลางเป็นตัวชีวัดบอกว่ารูปกับนามเป็นอย่างนี้แล้วมันกลเป็นธรรมดาที่นี้คือ เข้าใจรูปเขาา้าใจาแล้วมันก็จะจิตมันก็เป็นธรรมดามันไม่ใช่ระเบีปกติซับซ้อนอะไรว่าอันนี้คืออันนี้สงกันปฏิบัติธรรมเพวัะนั้นก็อขออนุโมทนาความดีพวกเราทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติธรรมจำสินภาวนามาทั้งหมดตลอดภาษากลางนี้แล้วก็เหลือเวลาอีกเดือนๆกว่านี้พยายามรีบพยายามเร่งหาโอกาสหาเวลาเพื่อศึกษาเรียนรู้ตัวเองให้มันมากเท่าที่มากได้ หเห็นรูปใหเห็นนามให้เห็นความเสื่อมไปสิ้นไปเหมือนที่พุทธเจ้าของเราตรัสไว้คือวิยะตมาสังการาสังขารทลายมีความสูญสิดไปอันนี้คือสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้นะถ้าใครไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับไม่เห็นพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่เห็นก็คือไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้านั่นแหละเพระนั่นถ้าเราเคารพ บ, บุตทางตัมบางสังขารตนักก็จะมีประแยยยึดองแนวทางนี้ เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรก็จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคือเห็นตัวเองมากขึ้นก็เห็นธรรมนั่นแหละมากขึ้นก็รอนานาได้เห็นธรรมมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตประจำวันก็พออ่านมุนทนาในกสุจนาของทุกคน